ดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึงแปสิบโกดแต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตรณีบีบคัน้นครอบงำหัวใจคนตรณีแม้จะมีทรัพย์ก็เหมือนคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์คนดีแม้มีน้อยก็พลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบอพออาศัยอาบดืมให้เป็นสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสกับ พระเจ้าประเสธิที่โกศลว่าทรัพย์ของคนพานของอัตบุรษไม่อานวยประโยชน์สู่แกใครๆรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเหมือนสะโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจือสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมมหาชนก็หาได้อาบได้ดื่มไม่น้านั้นตั้งอยู่อย่างไร้ประโยชน์ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบารุงตน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 อยากรับประทานอะไรล่ะคะพัญญาถามอย่างร้อนรนฉันอยากกินขนมเบื้องพูดหลุดปากออกมาอย่างยากเย็นพัญญาเศรษฐีเบือนหน้าไปยิ้มเสียทางหนึ่งด้วยความรู้สึกขบขันเศรษฐีก็รู้เหมือนกันว่าถูกยิ้มยะ่ะโทสะจนไม่อาจยังได้จึงกล่าวว่าขบขันนักหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นหรือพัญญาเศรษฐีรู้สึกตัวจึงกล่าวว่า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 ใกล้รุ่งวันเดียวกันนั่นเองพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์โลกออกจากมหาสมบัติทรงแผ่ขายคือพระญาณออกสำรวจดูหมูสัตว์ในโลกธาตุผู้มีอุปนิสัยควรแก่การบรรลุมรรคผลด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติผลของเศรษฐีพร้อมทั้งพันยานักกรุงราชคลือแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคลานะมาเฝ้า ทรงเล่าเรื่องของเศรษฐีชื่อโกศิยะให้พระสาวกผู้เลิศทางริบทราบแต่โดยย่อแล้วตรัสว่ามหาโมคคลานะแต่เศทษิีนั้นพร้อมทั้งพัญญาเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปติผลเราต้องสองเคราะห์เขาถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาจะเสื่อมจากอริยคุณอันพึงได้ในชาตินี้โมคคลานะเธอจงไปปราบเศรษฐีให้สิ้นพยศแล้วให้นาขนมน้านม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 เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้ายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแห่งปราสาทชั้นที่เจ็เมื่อได้มองไปเห็นพระเถระดวงใจของเศรษฐีสันสัานด้วยความตกใจราคนด้วยความตรณีเขาคิดว่าเราอุตส่าห์มาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นที่เจ็ก็เพราะกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจะร่วมกินรวมทั้งคนประเภทนี้ด้วยแต่สมณะนี้มายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแล้ว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 นเชิงหิมาลัยบรรพตมีแคว้นหนึ่งนามสักยะพระราชาผู้ครองคือพระเจ้าสุโธทนะพระอค拉มเหสีแห่งพระราชานั้นพระนามสลิมหามายาพระนามประสูตระราชโอรถพระนามสิทธะพระสิทธถราชกุมารได้ทรงมีดวงตาคือปัญญามองเห็นทุกข์ของโลกจึงทรงสละโลกียสุขทั้งมวลออกแสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์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 การพูดจาไพเราะยังใจของกันและกันให้เอิบอาบ1การบำเพ็ญประโยชน์ให้กัน1และการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนหนึ่งพระศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสังหาวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนียวน้ำใจกันเปรียบเสมือนเพลาหรือลิ่มสลักยึดเหนี่ยวรถให้ทำงานไปได้แล่นไปได้สู่จุดหมาย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 ธรรมกถาของท่านแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าอกเข้าใจเศรษฐีและปัญญากล่าวปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยแล้วน้อมกระเช้าขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่านิมน์ฉันเสถียรพระคุณเจ้าเข้าไปเจ้าถวายด้วยศรัทธาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านเศรษฐีบัดนี้พระาศาสดาพร้อมด้วยพิสุสงฆ์ห้าร้อยรูปนั่งรอคอยเพื่อฉันขนมของท่านอยู่ ก็พระาศาสดาประทับอยู่ที่ดา่าย่าท่านผู้เจริญพระาศาสดาประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีไกลจากที่นี่สี่ห้าโยชน์พระคุณเจ้าหนทางมันไกลยอย่างนี้จะไปให้ทันเสวยได้อย่างไรท่านเศรษฐีเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาเองท่านเตรียมตัวเถิดท่าและพัญญาจะถึงเชตวันวิหารอย่างรวดเร็วว่าแล้วพระเถระก็เข้าชาน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 ไม่กระทบกระทั่งโภคะของเขาพระมหาเถระช่างมีอนุภาพมากและมีคุณน่าอัศจรรย์จริงๆพระศาสดาสเสด็จมาธรรมสภาสงทราบเรื่องที่พิสูุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรักว่าพิกษุทั้งหลายธรรมดาพิสษุผู้ฝึกสกุลพึงเป็นผู้ไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ทำให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนเขา เป็นดุดแมลงผู้เคล้าเอาเกสรดอกไม้ภิกษุกทั้งหลายมุนีพึงเข้าสู่ทํานองเดียวกับแมลงผู้ไม่ทำดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำคือเอาแต่รดแล้วบินไปฉะนั้นไม่ทำให้สกุลชอกช้ำช่างเป็นพระวาจาที่แสดงความปรานีและหวังประโยชน์ต่อตระกูลเสียนี่กระไรเพราะธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีความชอกช้าเป็นปกติอยู่แล้ว